Salah <laughs> tayo d h a m ku salah, dasa dhamma aku salah, dasa d h a m ช่วงนี้นะได้มนตรีการได้เจริญกุศลกันอามาต้องการอยากจะให้เรานั้นเน่ยปรบความเพียรตรงนี้ก็คือว่า <c oughs> ถ้าเราดูอย่างในชั้นของคําสอนท่านจะพูดถึงในเรื่องของสมประทานสมประทานนี้พูดถึงในเรื่องของอะไรของการที่ระดมความเพียรวิริยะที่ท่านใช้คําว่าเนื้อและเลือดในสรีละของเราจะเหือดแห้งหายไปหรืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่ได้บรรลุ ชานมรคผลอันใดอันหนึ่งด้วยกําลังด้วยเล่าแรงของบุรุษและด้วยความเพียรของบุรุษแล้วเนี่ยนะจกไม่หยุดปาราลบความเพียรเ้าเรียกความเพียร น, นั้นมีอยู่สี่ขั้นเหลืออยู่แต่หนังเหลืออยู่แต่เอ็นเหลืออยู่แต่กระดูกเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปใช่ไหมองค์สี่เนี่ย คือถ้าเราดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าพระจักขุ ป, ปาละเถระในท่านเพียรลักษณะ น, นี้ถามว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเคยเห็นคนที่ตั้งความเพียรแบบนี้ไหมไม่เคยเลยใช่ไหถ้าท่านบอกว่าถ้าหากได้ปารกความเพียรดังที่ได้กล่าวเนะ ตามที่พระบรมศาสดาตรัสไว้แล้วเนี่ยถ้าใกล้จะตายแต่ยังไม่ได้ฌานได้มากผลอันใดเนี่ยจึงต้องวางใจว่าไม่ใช่สมัยที่เราจะบรรลุถ้าสมมุติต้องการจะวัดตัวเองจรนะิงๆเนี่ยให้ว่าอย่างนั้นแปลว่าตั้งเต็มที่แล้วใช่ไหมแต่พอตั้งเต็มที่เบียดเสร็จพอเวลาลมหายใ จ, จขาดแต่ไม่ได้บรรลุนี่นะให้รู้เถอว่าเออยังไม่ใช่สมัยของตัเอง แต่อัธยาศัยที่สั่งสมมาเรียบร้อยไหมได้ไหมได้เรียบร้อยแลย้วฉะนั้นคนที่ตั้งลักษณะนี้จึงจึงค่อนข้างดีเด็ดเดียวแต่ใครระดมได้อย่างนี้เนี <c oughs> ฉะนั้นในกรณีอย่างการที่ระดมอย่างเนี้ยถ้าหากว่าคนที่บางคนคิดอย่างนี้บอกว่าเอ๊ ในสมัยนี้บางคนก็กลัวว่าจะได้รับความเหน็ดเหนื่อยเสียเปล่ากลัวเะปฏิบัติตอนที่บา ร, รมีแก่กล้าดีกว่าใช่ไหมเราคิดกันอย่างนั้นหรือเปล่าตอนนี้เราอย่าพึ่งระดมเลยอย่าพิ่งระดมศีลสมาธิปัญญาเลยง่วงเลยใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคิดในลักษณะนี้ย เขาบอกว่ามันจะไปลําบากเปล่าเขาคนที่เขาคิดอย่างนี้เขาไม่ได้เปรียบเทียบระหว่างใครคิดว่าตนเองจะมีอายุอยู่ได้อีกสิบปียี่สิบท่านบอกว่าถ้าใครคิดว่าเราจะอยู่อีกยี่สิบปีหรือสามสิบปีเนี่ยท่านบอกว่าให้ยอมลําบากไปเถอะทุกจากการ ศึกษาพระธรรมจากการปฏิบัติธรรมนี่สามสิบปียอมเลยเดือดีกว่าไปทุกขในนรกสามชั่วโมงจริงไหมถามว่าทุกในนรกสามชั่วโมงเนี่ยร้ายกว่าการทุกในความเป็นมนุษย์สามสิบปีไหมเอาคิดให้ออกนะมุมเนี้ยถ้าเราไปทรมานในนรกเนี่ย สามชั่วโมงแต่เราต้องมาเหน็ดเหนื่อยจากการที่บำเพ็ญเพียรในการประพฤติปฏิบัติในการขัดเราในการศึกษาพระธรรมเนี่ยสามสิบปีเนี่ยอันไหนทรมานกว่ากันเห็นไหมั้ในนรกสามชั่วโมงเนี่ยทรมายิ่งกว่านะ ถ้าหากว่าเราเพียรพยายามขนาดนั้นเนะี่ยพบต่อไปเราก็ไม่ต้องไปอบายอะ่ะใช่ไหมแล้วจงได้อัตยาสายไหมถ้าเราไม่หลุดพ้นเราก็ได้อัตยาสาย <c oughs> ถ้าเพียรจนถึงวันลมหายใจขาดแล้วไม่ได้บรรลุจึงค่อยบอกว่าเออเราบารมีน้อยได้ไหมเออให้ถึงวันนั้นก่อน วันที่จะตายอ่ะเมันมันจะทรมานไปหรือเปล่าถ้าคิดอย่างเงี้ยเอ๊ะจริงๆเนี่ยมีความเชื่อขนาดอย่างที่พุทธิยาว่าไหมว่าทุกในโลกสามชั่วโมงดีกว่าทุกการเป็นมนุษย์สามสิบปีเชื่อใช่ไหมเชื่อแบบมั่นคงไหมมั่นคงเลยเลย นั้นแสดงต่อไปแสดงว่าเอาจริงกันเนยดยใช่ไหมโว้หน้าชื่นใจจริงเดี๋ยวตอนก็แอ บ, บดูหน่อยจริงถ้าอย่างนี้ก็น่าหน้าฟังและหน้าชื่นใจนะลองคืนนี้เดียวดูไม่ล่ะแล้วก <c oughs> <c oughs> ็แย้วก็ทยอยกล่าวโกดกันา่าเลยจะระดมความเพลี่ยนพอเกิด Hey, เกี่ยวกับอุณหภูมิเริ่มลดลงรดลงเริ่มแล้วทีนี้ครับก็คือตรงนี้ก็คือว่าครั้งที่แล้วได้พูดถึงว่าในสันดานของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะในสังสารวัฏเนี่ยมีสันดานอยู่สองอย่างคืออุปนอากุศลและอนุปน่ากุศลงี้ที่กล่าวไว้นี่หมายถึงกลุ่มอกุศล ความภาคเพียนเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วที่กำลังเกิดอยู่ในสันดานของตนละอกุศลเพียนละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแปลว่าบาปทำแล้วทุจริตทำแล้วทุจริตต่างๆทำเรียบร้อยแล้วในสังสารวัฏเพียนละทำไมถามว่าในล้านล้านปีที่ผ่านมาเคยทำ ปธิบัติไหมอาทินนาทานการเมสุมิฉาจารย์มูสาวาตปิสนาวาจาพุรุสวาจาสัมผัพลาปะอภิชาพยาบาทมิฉาทิฏฐิไม่ได้ทำอยู่มรรคกรรมดังเก่าแล้วใช่ไหมไม่ได้ทำโสดาปฏิมสาสกาธาคามีมรรคนาคายมรรคอรแตมรรที่นั่งอยู่นี้หวังว่ายังไม่เคยมีใครประกอบมรรคได้บริบูรณ์นะเนี่ยใช่มถ้าได้ก็ยกมือึ้นได้อย่าง อ๋อนี่ยังไม่มีพระโสดาบันใช่ไหมเขาไปนะแต่จักดําเนินไปเพื่อจะเป็นใช่ไหมจะเป็นพระโสดาบันดําเนินไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกนี้นะเขาบอกว่าเศกขะบุคคลเนี่ยก็แปลผู้ที่ยังต้องศึกษาในชั้นของคาสอนเนี่ยท่านสง่งเคาให้บุคคลที่ภาคเพียรพยายามเนี่ยนะเพื่อมุ่งมั่นจักบรรลุเนี่ย ก็เรียกว่าบุคคลที่กําลังจะประกอบศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันอย่างนี้ก็กําลังจะศึกษาเพื่อเข้าไปสู่ความเป็นภาริยะเหมือนกันเพื่อประกอบมรรคให้ได้ทีนี้ก็เรามาพิจารณาดูว่าเ ร, เราอยู่ในจํานวนนั้นไหมนะทีนี้อดีตอกุศลปัจป จ, จ, ปจจุบันอกุศลเนี่ยถ้าอาดีตอกุศลหมายถึงทุจริตเก่าอากุศลและกรรมเก่าใช่ไหม คืออย่างนี้กรรมเนี่ยทําไปมันก็ให้ผลเรื่อยไม่ใช่ไม่ให้ผลแล้วทุกวันเนี้ยเราก็รับผลของทั้งบุญและบาปใช่ไหมแต่นี่มองในแง่ของอักุรศากรรมคำงนจะได้เห็นชัดแล้วก็เกิดความหวาดกลัวสะดุง้งสะเทือนหวั่นไหวซึ่งความจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นึงนั่นในสังสารวัตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเคยทํากรรมหนักกันมา่อไง มาจะย้ำมากกรณีที่ให้เห็นคําสอนของพระศ า, าสดาถ้าหากเรารู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราประกอบปาณาติบาตอธินาทานมาเยอะหนักไปกว่า น, นั้นก็คือว่าปาณาติบาตเนี่ยเราไปเกี่ยวข้องกับมาตุกขาตเข้าให้ปีตุขาตอารานาาตุาตโลหิตุบาบาสังฆเพศเนีนเออนน่ยกรรมห้าประการนี่แล่เครื่ออนันตริยกกรรมให้ผลในภพถัดไป ที่ให้ผลในพบถัดไปเนะี่ยก็เรียกโชนาดวงที่เจ็ดให้โชนาดวงที่เจ็ดใครเอาดูตัวอย่างพระเทวทัตเอาใครอีกพระเจ้าชาติศัตรูใช่ไหมเอาใครอีกสุปาพุทธะเอาใครอีกใช่นางจินจะมานาวิกาเป็นตัวเหล่านี้นะปะทุสละเออนันท้ามานบนี่นะ ท่านเรามองอย่างนี้เราจะเห็นเลยว่าท่านเหล่านี้ตอนนี้ก็ไปคอยไม่รู้คอยใครยนะอยู่นอในเอเวจีมหานรกคิดว่าในขณะที่เราฟังธรรมกันเหล่านี้ท่านเหล่านี้กำลังหัวล้อล่าเริงั้มท่านกำลังร้องอย่างสุดเสียงเลยนะท่านบอกว่าไฟเนี่ยเป็นแปดท่อสิบท่อเนี่ยคือท่านถูกตะปูเท่าลำตานใช่ไหมตอกติดกับผนังใช่ไหม เท้าของท่านเนี่ยจมลึกลงไปในแผ่นหินที่ร้อน ส, สุดๆเหล็กนะแผ่นเหล็กข้างบนก็มีเหล็กเข้าไปที่ครึ่งศรีรษะร่างกายของท่านนั้นสูงประมาณหนึ่งยดเนี่ยนะสิบสิบสิบหกกิโลเมตรสรุปก็คือว่ากายระสาทของท่านเนี่ยเยอะมากฉะนั้นแผ่นกายที่หนาและเยอะขนาดนั้น เ, นเพื่อจะได้รองรับความร้อนของไฟในเวจี นี่แหละคือความเจ็บปวดตอนนี้ท่านท่านอยู่ในไบรรยภูมิเนี่ยเลยสามชั่วโมงอย่างเลยอย่างถ้ามาอม์นับในอายุของมนุษย์เนี่ยก็แปลว่าสองพันกว่าปีใช่ไหมที่ท่านลงไบรรยภูมิท่านนับเป็นชั่วโมงในในาโลกยังไม่ถึงสามชั่วโมงยยังไม่ถึงสามชั่วโมงเลย นี่ไงเข้าใจอย่างเราเนึ่ว่ามไม่มีโทษนี่ไงมีโทษมีจริงฉะนั้นเรานับอายุมนุษย์เนี่ยสองพันห้าร้อยกว่าปีแต่ถ้านับอายุของในไบยภูมิแล้วยังไม่ถึงเนาะนี่คือความเจ็บปวดท่านถึงบอกว่ายอมเหนื่อยสามสิบปีดีกว่าไปทรมานในไบยภูมิสามชั่วโมงพอจะมองเห็นไหมแบบนี้ ทีนี้ <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงพระเทวทัตไม่ต้องห่วงพระเจ้ า, าชาติศัตรูนูน่ไม่ต้องห่วงเพราะพระเทวทัตจะเป็นพระเจ้าพระเจงุธเจ้ามีนามว่าอธิสาระมี่ขนาดบา ร, รมีเต็มแล้วยังล่วงได้เ่ยผู้มีเออเป็นสาระนี่ง ท่านถวายเป็นพุทธบูชาก่อนก่อนตายก่อนลงเวทีนั่นน่ะท่านบอกว่ามือของข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะไหวขอเข้ามาพระาศาสดาก็ยกไม่ขึ้นเพราะจมลงไปในแผ่นดินร่างกายนั้นอยากกราบาพระบรมศาสาศดาแบบเบญจางข้าประดิษฐ์ก็งอไม่ได้แล้วเพราะลึกลงไปแล้วศีรษะของข้าพเจ้าก็จะมิดแผ่นดินอยู่แล้วข้าพเจ้าเห็นคุณของพระาศาสดา แล้วไม่มีอะไรจะถวายแล้วขอถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาได้บุญโนนั้นเนี่ยต่อมาก็โทษะความร้อนก็เกิดอกุศลก็ไหลท่วมทับปิดบาปบาปมาปิดบุญนั้นเนียคิดบุญไม่ออกแล้วนิมิตก่าวคือไฟในะโลกก็ปรากฏกับท่านนะที่จริงๆก็จุดติ ก็ลงสู่เอเวจีเลยนี่เป็นอย่างนี้นะนกรรมลักษณะนี้นะเมื่อให้ผลในปฏิสนธิการแล้วแต่ในระวัติการนะก็ให้อีกตัวเนี้ยจุดตีจากพบนั้นนะจุดตีจากพบนั้นมีโอกาสที่จะถูกรากยาวอีกเยอะจะถูกรากยาวอีกเยอะ ไม่ใช่หลุดจากเอเวจีจะมาเป็นมนุษย์แล้วก็จะบรรลุเลยนะไม่ใช่นะยังถูกรากยาวไปอีกเยอะมากมากแพระเจ้าชาตตูก็อยู่โลหากุมพีก็คือเอเวจีนั่นแหละแต่ลองลองลองมานึ่งเห็นไหแต่พระเจ้าชาตตูเนี่ยก็จะได้อัตยาศัยเป็นพระปเจริุวัตเจ้ามีนามว่าชีวิตวิเศษ ใช ไ, ไปดูในอัฏฐคถาสามัญบละสูตรท่านก็ระบุไว้เลยนั้นท่านทั้งสองปลอดภัยไหมปลอดภัยแล้วนั่งอยู่นี้ใครได้รับพยากรณ์บ้างว่าจะได้มรรู้อ่ะมีไหมนั้นตรงเนี้ยบางทีเราไปแม้ตตมณีพระเทวทัตพระเจ้าชาติตูใช่ไหมจริงอยู่กรรมในอดีตหน้าธรรมนีและปัจจุบันท่านก็น่าการุณา แต่หันกลับมาดูตัวเองนี่คนที่น่ากรุณามากกว่าพระเทวทัตกาพระเจ้าศัตูกลายเพ็นกายเป็นเราอีกแล้วเ น, นี่ยเริ่มมองเห็นยังเพราะเราฟังพระธรรมแล้วยังไม่ค่อยตามคําสอนของพระศ า, าสดาสักทีเลยใช่ไหมฟังแล้วก็ยังรู้สึกโอ้ยไกลจากเราเราไม่เคยทําชั่วยอย่างพระเทวทัตหรอกสัญญาเราก็สั้นี่จําไม่ได้อีกตรงนี้เขาเรียกว่า อ ป, ปันนากุศน์กรมทุจริตเก่าวบาปก่าอาดีตกุศลเนี่ยนะที่ยังไม่หมดกําลังลงมีโอกาสที่จะให้ผลลงอบายภูมิอีกได้หรือไม่ได้ไหมถ้าเราเป็นมนุษย์นี้ถ้าหากว่าบาปปกุศลว่าเกิดขึ้นในขณะ น, นี้แล้วจุดตีจิตเกิดในขณะนั้นนะตายด้วยโลภะตายด้วยโทสะและตายด้วยโมหะนี่นะตายด้วยกําลังเล่นและเพลิดเพลินเก็บดอกไม้ตายเนี่ยนะ หรือกำลังไปเที่ยวทะเลล้ตายเงี้ยนะแล้วกรรมเกี่ยวกันในเรื่องของอนันต์เรกกรรมในดีดได้จังหวะมาให้ผลทันทีผู้ภากษาว่าไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยมันจะเกงใจความเป็นผู้ภาคสาวไหมไม่เกงใจเป็นพระยังไม่เกงใจเลยอกุศลกรรมจะไม่เกงใจใครทั้งนั้นเนาะถ้าอากุศลกรรมจะให้ผลเนี่ยเขาจะมาเพื่อเบียดเบียนไม่ใช่มาเพื่อสรรเสริญยกย่อง ตรงนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวไหมแค่นั้นอดีตอกุศลกรรมนะมากมายที่จะทําให้ไปสู่ใบายาภูมิไปสู่เวจีได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอากุศลเก่าทุจริตเก่าที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลกําลังเฝ้ารอท่านทั้งหลายอยู่ไหมกาลังเฝ้ารอเราท่านทั้งหลายอยู่เขาเรียกอุ ป, ปันนะอกุศลอดีตอกุศลกรรมเก่าทุจริตเก่าบาปเก่าในสังสา ร, รวัตรที่ให้ผลแล้วและที่ยังไม่ได้ให้ผล ถ้าให้ผลแล้วแค่เช่านะดวงที่หนึ่งใช่ไหมเออดวงที่สองเนี่ยดวงที่เจ็ดใช่ไหมสองถึงหกเนี่ยรากอีกยาวไหมยังจะต้องให้ผลอีกยาวไกลมากๆเลยนั้นท่านทั้งหลายก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีนะเนาะพระพุทธเจ้าครูแล้วปะไม่ได้ครูเลยเนะี่ยทุกคนต้องรักษาตนเองไหมต้องรักษาเนื้อรักษาก็คืออย่างไร ฟังทำก็ยังให้บาปเกิดเดี๋ยวจุดตีจิตเกิดแล้วไปต่อรองเขาได้ไหมดิฉันกำลังฟังธรรมพระบัญญัติอยู่ทำไมให้ผลแบบนี้เขาก็จะบอกว่าไงเอาก็ตอนนั้นบุญหรือบาปเกิดทำไมเผลอแปบเดียวก็เล่นเลยรือต่อรองได้ไหมต่อรองได้ไม้มไม่ได้หรอกเผลอแปบเดียวก็เล่นนี่ไม่ใช่เลยเพราะเราสร้างเหตุไง ยิงโย่เหตุในปัจจุบันดูเหมือนจะไม่บริบูรณ์นะแต่ที่ไหนได้ไปบวกเหตุน่ดีที่บริบูรณ์เนี่ยเขารอจังหวะอยู่ไงเขารอจังหวะอยู่เหมือนอย่างนี้นะเหมือนคนก็บอกว่าเออคนคนนี้ช่วยจัดการหน่อยเดี๋ยวรอนทำผิดสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจัดการพอไปทำผิดได้จังหวะหน่อยเขาก็ตารวจก็ล็อกล็อกเสร็จก็เข้าในเรือนจาใช่ไหม สารก็ตัดสออินโทษเบานี่อันหนึ่งปีวะไงแต่มันเล่นโทรติดต่อนี่เพราะมันรู้จักคนในเรือนจำอ่ะมันบอกเข้าไปเล่นเล่นให้อวมเลยนะเป็นไงเรียบร้อยมันก็กั่นแกล้งใช่ไหมเราก็ทนไม่ได้ก็ไปทำผิดเจอความผิดอยู่ในคุกเรื่อยเล ย, ดยเดี๋ยนี้เรียบร้อยเลยนะเขานะเขาถูกขังหลืมไหมถูกขังหลืมเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่า กรรมเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ว่ามันมีสายอยู่เบื้องหลังอยู่ที่มันจะเชื่อมโยงลงตัวใบยภูมินั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าอุ ป, ปันณอาอกุศนทุจริตกรรมเก่าเนี่ยเป็นธรรมที่เนื่องอยู่กับสักรรยะทิฏฐิตราบใดที่เรายังดับสักรรยะทิฐิก่าคือความเห็นผิดเป็นต้นเมได้อกุศนกรรมเหล่านี้บาปเก่าเหล่านี้แหละมันจะให้โอกาสมันจะได้โอกาสแล้วมันจะให้ผลเนาะ ฉะนั้นอุปน่ากุศลเนี่ยมันจะดับลงในขณะที่อุปน่ากุศลที่จะนําสัตว์ลงสู่ใบายภูมิเนี่ยมันจะดับในขณะไหนดับในขณนะที่ได้โสดาปฏิมาเนีฉะนั้นกรรมที่จะนําลงสู่ใบายภูมิเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ดับเพราะยังไม่ทําโซดาปฏิมาให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้ถ้าใครสามารถดําเนินชีวิตเข้าสู่ อริยมักกับอากุโสดาปริมักเนี่ยอากุศุรกรรมเก่าทุจริตเก่าที่จะเป็นปัจจัยนาสู่อบายภูมิทั้งสี่จะถูกปิดลงไหมปิดทันทีเลยเชื่อ ใ, ใจไหมชีวิตเนะี่ยชื่อ ใ, ใจถ้าจะเ ท, เที่ยวก็เที่ยวได้อย่างสบายใจแล้วเพราะเราจะไม่ลงไปสู่สี่ภูมิคือจะไม่เกิดเป็นเ ป, นปรตสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกสุรกายเนี่เนะ่ยสี่ภูมิไม่ไปแล้ว ต่อไปก็ไปมนุษย์ได้เทวภูมิหกชั้นก็ได้ไปพรหมภูมิก็ได้เว้นสุดท่าวาดปะน่าชื่นใจไหมท่องเที่ยวในภพภูมิที่สูงได้อันนั้นคือต้องวางแผนไวไหมตอนเนี้ยวางแผนวางแต่แผนได้ไม่เดินได้ไหมไม่ได้แนละ้วนักวางแผนมีเยอะแยะแต่ไม่ประสบความสําเร็จเคยเจอไหมเยอะแยะหมดวางแผนเก่งมากแต่ไม่ยอมเดินสักทีโอ้โหศึกษาลูบหมด พราะงั้นวินัยก็ศึกษาพระสูตรก็ศึกษาอพิธรรมก็ศึกษาใครถามอะไรอธิบายได้ตอบได้แต่ไม่ยอมเดินสักทียุ่งั้มลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าทำยังไงเราจะดับทุจิยริท์เก่าอคตศรกรรมเก่าได้ก็คือต้องดับสักยทิฐิในปัจจุบันให้ได้อันนี้เขาเรียกเป้าล่อไอตัวเชือ้อ มองอย่างงี้นะใครก็เห็นในตัวอาจารย์ดูอย่างทางโลกหน่อยนะเขาถามอมาห่เปรียบเทียบให้หน่อยได้ไหมไอตัวสักยะทิฐิเนี่ยมันเหมือนอะไรมันทําไมาเป็นตัวล่อ บ, บาปในอดีตได้ดีเหลือเกินอามาก็บอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยอามาเคยดูภาพยนตร์นะไม่ใช่เด็กๆแล้วตอนยังเป็นฆราวาสเนี่ยมันมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งนะ เขาใส่อะไรเข้าูฝังเข้าไปในฝังเข้าไปในสมองในอะไรเนี่ยแล้วมันเอาออกไม่ได้ไอตัวอย่างเนี้ย อ, อ่านั่นแหละเขาเรียกคิปด้วยตัวอะไรเนี่ยพอฝังเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะจะไปที่ไหนเขาก็ตามข่าได้หมดเลยเพราะเขาจะมีมีเหมือนเดรด้าเหมือนอะไรแนตะ่คอยดูแล้วก็จะเห็นหมดเลยเห็นไหมนื้อ บาปอากุศลกรรมเนี่ยอามาก็เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องเป็นตัวเนี้ยพวกมิจฉาทิถีทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนตัวชิปที่ฝังเข้าไปในสมองนี่แหละมันถอดออกไม่ได้ถ้าใครถอดออกได้เนี่ยไอเขาก็จะไม่เห็นอีกต่อไปแล้วไอพวกตามฆ่าทั้งหลายก็จะไม่เห็นแล้วไอตัวนี้เราถอดไม่ได้เนี่ยความเห็นผิดทั้งหลายแล้วถอดได้เมื่อไหร่เนะ่ยเขาก็จะไม่ฆ่าเราลงสู่ไบยภูมิอีกแล้ว ตอนนี้เรายังถอดไม่ได้ใช่ไม่ตัวเนี้ยจะถอดได้ด้วยโสดาปฏิมากร์ต้องใช้ครีมระดับโสดาปฏิมากร์ถึงจะถอดต้องครีมอื่นถอดไม่ออกกุศลศีลก็ถอดไม่ออกสมาธิก็ถอดไม่ออกวิปัสนาปัญญาระดับธรรมดาธรรมดาก็ถอดไม่ออกต้องระดับศีลสมาธิปัญญาที่ไปชุมในโสดาปฏิมากรจะถอดไอ้ตัวเนี้ ไอชิปอันตรายที่ฝังอยู่ในศรีรษะก็คือไอตัวสักกายะทิถีเนี่ยพุทธายาวใช้คําว่าเอผ้อาตะขาจารย์ก็ดีพัดิการยานก็ดีท่านใช้คําว่าครีมเหล็กระดับอาเลียมากถึงจะใช้ความว่าถอดพ่อมานึกถึงว่าเอผ้อาตะขาจารนพัดิการยา์ท่านใช้คํานี้ออกมาก็มันนึกเลยโอ้เนี่ยเห ม, มือนกับชิปฝังสมองตอนนี้เราถอดออกไม่ได้ใช่ไหมความเห็นผิดเนี่ยถอดออกได้ไหรือยังทาเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยถอนถอดได้ยัง ถอดได้ยังความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยความเป็นเราเป็นเขาเนี่ยคําเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยถอดออกได้ยังในนั่งอยู่เนี่ยถอดได้เป็นพักๆใช่ไหมทท่าได้แวบยาวบ้าเนี่ยที่วิจัยเนี่ยบางทียังไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมโทษของการไม่ไม่วิจัยเนาะเราเราเคย เราเคยวิจัยดินน้ำไฟลมจนละเอียดอ่อนไหมจนละเอียดไหมบางคนยังไม่รู้เลยธาตุดินคืออะไรธาตุน้ำคืออะไรธาตุไฟคืออะไรธาตุลมคืออะไรใช่ไหมยังไม่ได้แยกแยะเลยถามว่าที่ประชุมรวมกันเป็นรูปขันท์ทั้งหมดแท้ที่จริงคือมาพูดและอุปาทายรูปใช่ไหมก็ลองคิดดูที่อุปาทายรูปเนี่ยมันไม่มีสีเหลืองใช่ไหมแต่เราไปสําคัญว่าเป็นสีเหลืองได้ อลองคิดดูท pues yes. so so right. ี่เราไปมองเห็นดินน้ำไฟลมเป็นคนได้เนี่ยถือว่าถือว่าวิปริตไหมวิปริตมากเนอะแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะเราไปมองเห็นดินน้ำไฟลมลมเนี่ยเป็นลูกได้ใช่หมเป็นลูกได้เป็นหลานได้เป็นลูกได้เป็นบ้านได้เป็นทรัพย์ได้นี่เอาแท้จริงอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่ดินน้ำไฟลมไหมเนี่ย น, นันมีอยู่แปดรูปแค่นั้นเองเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมดินก็ธรรมชาติที่แข็งและอ่อนใช่ไหมสภาวะของเขาไฟก็เย็นร้อนน้ำก็เกาะไหลแล้วก็เกาะกลุมธาตุลมก็คือผักตึงแล้วก็ผลักดันกระแทกเลยแล้วก็มีสีแล้วก็มีกลิ่น มล้วก็มีรถมีโอชาเนี่ยนะมีแปดมีแปดธาตุเองแปดรูปเองแต่พอมันประชุมรวมกันถูกการตกแต่งเบสเสร็จเรามองว่าเออนี่เครื่องอัดยวงเครื่องบันทึกเสียงได้อ่ะเห็นไหมเราก็ติดอยู่แค่บัญญัติเราไม่เคยสามารถใช้ญาณปัญญาเนี่ยเจาะทะลุทะลวงจากบัญญัติเข้าไปถึงเนื้อใ น, นจริงๆของเขาได้เลยเห็นไหมเหมือนเรามองตรงเนี้ย แล้วก็บอกโอคโคมไฟหลอดไปแค่ น, นั้นเองทั้งๆที่ดินน้ำไฟลมสีกิริยลดโอชาธาตุเนี่ยแต่เราไม่เคยใช้ยานปัญญาสัมมานะยา น, นะเนี่ยนะยานปัญญาที่ไปเจาะทะลุทะลวง ก, ก็ถึงเนื้อในว่าธรรมชาติของธาตุดตินธาตุน้ําธาตุไฟธ า, าตุลมสีกิริยลดโอชาธาตุอันนี้ลองดูทีวิปัสสนาญาณของเราเนี่ยอ่อนแอมากยานปัญญาไม่สามารถเจาะภายนอกได้เลยใช่ไหมที่บอกว่า พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างแค่นี้ก็จบแล้วเราไม่เคยเห็นรูปเป็นรูปปัะคันเลยพิจารณารูปของตนเองนะของเองก็ไม่เคยเห็นด้วยความเป็นดินน้ำไบลมมองไปคนอื่นก็ไม่เคยเห็นดินน้ำไบลมแล้วอนัตตามจะปรากฏยังไงฉันจะใส่าาข้อต้องใส่าาข้อมูลไหมอันนี้พูดให้คิด แต่เรายังเดินกันไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เรากําลังระดมทานศีลภาวนากันอยู่ใช่ไหมซึ่งจะเป็นพื้นฐานมันจะเจาะได้ขนาดนั้นมันจะต้องมีฐานของสมาธิเป็นบรรดาฐานในการที่จะไปทะลุทะลวงได้เนี่ยนะแล้วต้องมีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนส่วนอนุ ป, ปัณ น, นะอกุศลนี่ก็คืออกุศลในอนาคตนี่อกุศลนักรรมเก่าบาปเก่าทุจริเ อ, อิ่มใหม่นะ ถามว่าอากุกโสกรรมใหม่มีโอกาสจะทําปาณนติบาตอีกไหมตอนเนี้อธินาธานกาเมซุมิจฉาจานมุสาวาตมีโอกาสจะพิษผิดศีลไหมเนี่ยตั้งแต่วินาทีข้างหน้าต่อไปเนี่ยมีโอกาสจะจ ะ, จะทำปนานนติบาตไหมฆ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จมีโอกาสไหมซอเซียดโอ้แล้วก็รู้ศีลแล้วทำไมไปทําทําไมโทษก็มีเนอะพูดคําหยาบ ยังจะงจะทำอีกวะพูดเพ้อเจ้อยากอีกอไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าเรียนไม่เข้าใจคืออย่างนี้คำว่าเพ่อเจ้อเนี่ยท่านขับเน้นที่กุศลหรืออกุศลใช่ไหมถ้าจิตเป็นกุศลจะเป็นเพ่อเจ้อได้ไหม ถ้าจิตเป็นกุศลจะเพอ้อเจอได้ไหมคนพูดบ้านเมืองพูดได้ไม่ได้แต่เขาสรุปลงอะไรสรุปลงในเรื่องของกรรมผลของกรรมไม่ได้สมมุติเราจะปารบเรื่องบ้านเมืองปารบเรื่องบุคคลต่างๆปารบเรื่องกองทัพก็สรุปลงในบุญและบาปและลงอริยสัจให้ได้จะไม่เป็นเพอ้อเจอทึ่บอกถ้าศึกษาพระธรรมเนี่ยจะฉลาดในการใช้วัหาน ถ้าอย่างนั้นเราจะหลุดพ้นจากบาปอกุศลธรรมไม่ได้เลยสมมติถ้าเผลอไปพูดเผลอจก่รีบสรุปไหมรีบสรุปลองว่าเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือความชั่วอย่าไปทำต้องสรุปไม่ได้ทุกครั้งเขาจะ่อมันจะเป็นการปิดมุมสัมผัสประสา นั้นทังเกดดูดีเทลาพัสท่านพูดเนี่ยใช่ไหมพูดปพูบไปเนี่ยท่านปุ๊บลงทันทีถ้าไม่ลงเน่ยเป็นสัมผัสปลาป ะ, ะเพือเจอเนอะแต่กรณีของการจะพูดก็ตั้งสติวิจัยพิจารณาท่าบอกว่าคนมีปัญญาเอาศีลรอดไหมรอดถ้าไม่มีปัญญาเอาศีลไม่รอดนะครัก็โอ้รักษาศีลเครียดมากท่านไม่รู้หรอกถามทำไม ท่านไม่เป็นโยมนี่เมื่อมาไม่เห็นมีเหตุผลนี่ต้องไปเป็นเลยใช่ไหมเออแปลกจริงเออมันก็เคยเป็นมากันตั้งนั้นแหละท่านบอกท่านร้องมามีครอบครัวดูบ้างทีท่านจะไม่เป็นแบบนี้ก็บอกบโอ้แค่คิดก็ไม่อยากเป็นแล้วใช่ไหมแค่คิดก็ไม่อยากเป็นแล้วก็รารู้อยู่เอาถ้าเรารู้ว่าจะเดินตกซ้วมเมียังจะเดินไปไหมเดินไปคนไม่ฉลาดแล้วไปเดินลงซ่วมเมียงใช่ไหม เขาคนมาบวนให้ฟังเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่ก่อนเมื่อบวชสองภาษาแรกหนึ่งภาษาแรกประมาณนี้ว่าเขาโกหกเขาบอกโห oh, ท่านลําบากเหลือเกินคารวะเนี่ยไม่ดีบวชอย่างท่านดีแล้วสาธุใครก็มาพูดอย่างนี้มานก็สังเกตเอ๊ะทาไมมันพูดแล้วไม่ยอมบวชกันสักทีวันเนี้พูดใช่ไหมพูดหาว่าเราดีให้มันหลอกให้เราอยู่เปล่าแต่ก่อนเมาสงสยัยอย่างนี้ไม่สงสัยแล้วเชื่อแล้ว ตอนนี้เชื่อแล้วเขาเงทุกันเลคนใหม่ๆมาเนี่ยว่าเขาหลอกอามาก็บอกนี่ <c oughs> ก็เรารู้อยู่แล้วตรงนั้นไ ม, ม่ดีก็เดินออกมาซะที่มันไปไม่ได้ท่านมีภาระออามาก็มีภาระยังเดินออกมาได้เลยทุกคนมีทั้งนั้นแหละจะย่าอ้างพ่อก็ยังอยู่แม่ก็ยังอยู่ใช่ไหมกับภาระทั้งนั้นแหะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พูดได้ทั้งนั้นแหละมาเดินออกมันมาซะที่ถ้ามันไม่ดีจริงๆ แต่มันเป็นหน้าที่ท่านไปรับผิดชอบแล้วจะทำยังไงวะที่จริงลึกๆบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เรารับผิดชอบเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีเขาลึกๆเขาก็อยากให้เราเดินหนีเรามาทั้งนานเลยเขาไม่ค่อยกล้าพูดคำนั้นทั้งเกียรติที่เวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยนะครันะครับ เ, เ, เราจะต้องเอาใจเขานะเราจะต้องเอาใจเขาตลอด พรา อ, อะไรรู้ไหมคนที่อายุมากทั้งหลายนะ่ะเข้าจะกลายเป็นคนยอมลูกทั้งหมดทุกคนเป็นแบบนี้หมดเลยยอมหมดเลยนะเอาทำไมถึงยอมรู้ไหมเพราะว่าแก่ตัวไปเราไม่มีที่ไปฉั้นคนแก่ทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่ที่เคยดุนี่นะจะดุอยู่ไม่นานหรอกเพราะแก่ตัวไปเริ่มจะไม่ค่อยดุแล้วเพราะกลัวลูกทิ้ง กลัวลูกทิ้งฉะนั้นจึงจะกลายเป็นคนที่เริ่มเงียบแล้วก็จะไม่พูดมากจากที่พูดมากบ่นเก่ยงนี้จะบ่นระยะที่ยังแข็งแรงเท่านั้นแหละพอร่างกายเริ่มอ่อนแอเริ่มเอ๊ะเราจะหมดท่าแล้วเนี่ยเน่าเข้าเนเข้าเห็นไหมก็จะเริ่มไม่ค่อยบนย่นแล้วนี่เป็นอย่างนี้จริงๆใครใครคิดว่าบางคนคิดนะนะอุย้ย ฉันเลี้ยงลูกไม่หวังพึ่งลูกหรอกร้อยทั้งร้อยพูดแบบนี้หมดเลยเพราะเรายังมีสราระแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงแต่ถ้าใครมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆ ร, รัตนะแข็งแรงอย่างพระเจ้าพิมพิสารอพระเจ้าพิมพิสารตนตอนที่โดนพระเจ้าชาตูจับขังคุกพระเจ้าชาตตรูเนี่ขังคุกนะ พระเจ้าพิมพิสารไม่เคยบอกเลยว่าให้ปล่อยตนเองเออกไปเพียงแต่ขอบอกว่าตัดช่องช่องหน้าต่างให้มองเห็นพระคันกุฎีของพระบรมศาสดาที่ภูเขาทิชกุฎอ่ะทำไมเพราะตนเองจะได้เจริญพุทธคุณไงอ า, าศาัยจากจักขครูทวานที่มองเห็นมูลคันกุฎีของพระศาสดา บางค่าวก็เห็นพระาศาสดาเสด็จจงกรมไนหะโอ้โหปลาโมดปีติปสัสส thi เกิดขึ้นใหม่ๆเขาเอาอาหารไปให้ได้ใช่ไหมน่ะเขา้าน่ะเข้าเขาปิดมุมหมดเลยพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารก็เอาอาหารไปให้ไม่ได้ให้เข้าไปเด็ดตัวเอาหารทาไปในตัวด้วยนะให้เลียกินนะนะน่ะเข้าถูกปิดไม่ให้เพราะไม่ให้ไม่ให้เขาเ้าเบาจนพระมเหสี ของพระเจ้าพิมพิสารก็ร้องไห้กาดเท้าสามีบอกว่าไม่มีโอกาสมาเข้าแล้วไพ่พระเจ้าพิมพิสารบอกไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมไม่เป็นไรตนเองก็อาศัยจากการเดินพุทธคุณเจ็ดวันไม่เป็นไรเลยอิ่มด้วยปลาโมดปีติประสิทธิความสุขก็แปลว่าเข้าสมาบัติได้เข้าไหมนี่แปลว่าสารณะแข็งแรงไหมแข็งแรงมากเขาได้สารณะคม ออาอย่างเราไม่กินอาหารมื้อหนึ่งจะอยู่กับพุทธคุณได้ไหมร่างกายจะเหยวทันทีใช่ไหีหวทันทีหน้ามืดตามัวนึกถึงพระเจ้าไม่ออกใช่มนึกถึงแต่อาหารอยู่นั่นแหละใช่ไหมนี่พุทธคุณไม่แข็งแรงเนะต่อมาอเห็นเดินจงกรมได้อะไรได้พระเจ้าสาธุก็ถามอไม่เป็นไรก็เลยบอกนายช่างกระบกมาสี่คน บอกว่าไปจัดการหน่อยนายช่างก็ระบบบอกให้ตัดฝ่าเท้าพระเจ้าพิมพิสารซิ่จะได้เดินไม่ได้พอเข้าไปไเปเสร็จนายช่างก็ระบบเข้าไปก็ไปกราบขอขึ้นมาบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินมีราชองค์การมาให้ตัดฝ่าเท้าพระเจ้าพิมพิสารที่แรกเขียนนี่นะโอ้ยลูกเราสํานึกได้แล้วคงจะมาปล่อยเราเป็นเนื้แท้แล้วใช่ไหม พอบอกจะตัดฝ่าเท้าทางนายกระระบกเนี่ยนะช่างตัดผมก็บอกว่าข้าพระองค์จะทําอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าจงทําตามคําสั่งของพระเจ้าเป็นดินเถอะแล้วก็เลยทําขอขมาขอขมาไปเสร็จก็บอกว่าก็ถามมาตนเองจะบาปไหมวางจิตให้ถูก ไม่อยากทําเลยทําไมทําคอรกระขาดนี่เนะี่ยน้อมทาไปร้องไห้ไปเนี่เนะี่ที่จนถึงว่งตัดฝ่าเท้าจากที่ปีติเนี่ยเนะี่ยเพราะถูกตัดฝ่าเท้านะี่นะตัดตัดแล้วก็ดึงฝ่าเท้าออกตอนนั้นก็ยังพอขมได้อยู่เนอะแต่พอมาใช้ไม้เหมือนไม้ตะเคียนไม้อะไรเนี่ยก่อไฟแล้วก็เอาเท้าไปเผาไฟก็อีกหมดเลยเหมือน เหมือนไับผลไม้ที่ถูกย่างไฟเนะร่างกายของพระเจ้าวิทานเหี่ยวฟืดลงมาทันทีเลยสภาพของปีติหมดล้องทรมารเลยเห็นไหมเนี่ยกรมอะไรพระเจ้าวิทักษถึงโดนนี้ั่นหลเข้าอุโบโสถข้าพระเจดีไม่เคารพเนี่ยใครไปสวนรองเท้าเข้าไปไปขอบมาซะนะอ อันตรายยิงเนาะการไม่เห็นคุณของภาษาศรัทากรรมที่เคยทํามาในอดีตเนี่ยนะเวลามันให้ผลนี่ให้ผลในประวัติการเนี่ยนี่เขาเรียกให้ในประวัติการไม่ได้ปฏิสนธิการเน่ยเล่นว่ายาวิมิสารมานั้นแล้วหนีในประวัติการตามให้ผลอีกเนี่ยเขาเรียกอุ ป, ปันนะอกุศลบาปเก่าทุจริตเก่าอากักษลกรรมเก่าเหมือนพระโมคคัลลานะที่โดนทุบโดนทุกมา เนี่ยแต่เป็นน่าเป็นห่วงท่านพระเจ้าวิมศิสารไหมตอนนี้พระเจ้าวิมพิสารไปอยู่ในชั้นไหนเออชาตุมชาตุมเนือไปเป็นอะไรอ่าเป็นลูกน้องพ้าเวสวรรคเพื่อชนะวสภยักษ์จะเป็นเทวดาเนะเป็นเทวดาไปแล้วแต่ท่านเป็นพระสดารัน ท่านต้องลงอบายภูมิไหมเพราะท่านปิดอบายภูมิเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ปิดนะโดนทรมานอย่างนั้นคิดว่านิมิตจะดีไหมเห็นไหมเนี่ยนั้นต่อให้ได้นิมิตยังไงโดนทรมานอย่างไรเห็นตัวอย่างชัดเลยถึงจะถูกทรมานอย่างไรก็ไม่ลงอบายภูมิชีวิตท่า น, นปลอดภยัยถ้าเราดูในอนาถาปินฑิโกวาทะสูตรอนาถาปิณฑิโกวาทะสูตรนะ อนณาถาที่ตอนที่ท่านจะตายเนี่ยนะท่านก็ทรมานกันในรายละเอียดเอาไว้ไปเดียต้องไปเล่าทีตรงนู้นว่านีสูตรเนี่ยนะรายละเอียดว่าท่านทรมานอย่างไรแล้วก็ภาษาลิบุตรกับพระโมคคัลลานะไปเยี่ยมไข้แล้วแสดงทำยังไงฟังทำเสร็จอนาถาร้องไห้เลยไม่เคยฟังทำแบบนี้เลยอะ ไม่เคยฟังทมที่เกี่ยวกับวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของขันธะธายะตนะหรือตาวุณจหูเล่นใจนเนี่ยเนี่ยร้องไห้จนจนพระนรนบอกว่าเศรษฐีท่านเศรษฐีการร้องไห้การค้อนให้ในช่วงที่บั้นปลายของชีวิตเนี่ยจะมีคติไม่ดีเนะ ท่านบอกท่านไม่ร้องไห้โดยโทรศัพท์เลยท่านร้องไห้พิธีท่านเกิดพิธีท่านเกิดฉะนั้นเวลาท่านเสียชีวิตเบ็ดเสร็จปุ๊บท่านไปอยู่นู่นบนสวรรค์นู่นนะนะแล้วต่อมาท่านพลเรืลืกไดที่ท่านมาจากบุญอะไรเน่ะเอ้าเรามาจากบุญการสร้างวัดเชตวันถวายพระบรมศาสดาพระุทธเจ้าเป็นต้นเหลเนี้ท่านพอตอนช่วงปัะชิมยามท่านลงมาแสงสว่างทั่วเชตวันเลย มาเบสเสร็ท่านก็นสรรเสริญคุณของพระเจ้าและก็พรณนาคุณของภาษาลีบุตรเบเส็จแล้วก็ประทักศิลพระเจ้าไปเสร็จก็กลับไปพระเจ้าก็เลยไปชมสงบอกว่าเมื่อคืนนี้เธอทั้งหลายเห็นไหมอะไรหมอกเหวนก็เลยบอกวันนั่นไงอดีตของอานาถปาิณิกาเสตีมาชมอุทยานของท่านมาชมวัดของท่านแล้วก็ชื่นชมภาษาลีบุตร เพราะภาษาริบุตรมีปัญญามากนั้นท่านาศารัทธาภาษาลิบุตรเมื่ออย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นกรณีในลักษณะของอนุปนาอากุศลนี้เป็นบาปใหม่ทุจริตใหม่นะถ้าดับสักยทิฏฐิไม่ได้นะอนุปนาอากุศลใหม่บาปใหม่ทุจริตใหม่ที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยก็ยังจะเกิดอยู่ต่อไปนะย่อมสามารถให้ผลเป็นอนันต์แก่บุคคลคนหนึ่งในพบหนึ่งหนึ่งถ้าถามว่า อัตยาใสยที่เราจะทํำบาปในภพนี้ออีกเยอะมากเป็นอนันต์แปลว่าอะไรนับไม่ได้ก็ดูที่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโลภะโทรัวท์มหาเกิดเยอะไหมนั่นแหะเป็นอนันต์เลยแล้วเพบหนึ่งเราเอามาคูณเอามารวมกันดูดิไม่รู้เท่าไหร่เลยนี่มันลืมไนงะอาศัยลืมแล้วก็เลยคิดว่าคงไม่มีโทษมั้งแล้วก็ทําดีนี่เราก็เป็นคนดีนี่ แล้วก็บริการตลอดเนี่ยนะทําบุญทํากุศลมาตลอดใครใครมาเรียอะไรอะไรเนี่ยไม่เคยขาดเลยว่างั้นนะนะถามว่าเพียงพอไหมทําอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บุญแบบนี้เนาะมันเป็นบุญอย่างการที่จะรักษากระแสใจตดยเด้งให้เป็นไปกับกุศลได้ยาวๆนั่นเองทีนี้ผู้ที่ยังมีสักยะทิฏฐิอยู่แม้จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรด ที่ปกครองทวีปทั้งสี่ก็ยังถูกเผาผลาญด้วยอุปปันนาอากติลและอนุปปันนาอากติลอยู่จริงไหมจริงถามบอกว่าการที่เราจะดูผลในอนาคตเนี่ยเขาดูจากเหตุในปัจจุบันแล้วก็เหตุที่ทำมาแล้วในอดีตใช่ไหม ถ้าเราเข้าใจคําสอนของภาษาสดาว่าเหตุที่ทํามาแล้วในอดีตเนี่ยมันมากมายที่เป็นบาปและเหตุที่กําลังทําในปัจจุบันที่เป็นบาปก็อีกมากมายมันคํานวณผลก็ได้ถามว่าถ้าโลภะเกิดขึ้นเนี่ยโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นที่เป็นกายทุจริตวิจีทุจริตเกิดขึ้นอย่างยาวไกลแล้วแล้ผิดศีลตลอดเนี่ยนะแล้วผิดศีลตลอดเนี่ย แค่นี้ก็รู้แล้วว่าอนาคตรเราควรจะไปตรงไหนต้องให้คนอื่นพยากรณ์ไหมไม่ต้องแล้วตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเราควรจะไปนนตรงไหนแล้วตรงนี้ไงถึงต่อให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่ชมพูทวีปอุตรากุลุทวีปอัปปละโคยานะแล้วก็ปุกพระวิเทห์่ะอุตรากุลุทวีปนี่เนะยทวีปทั้งสีนี่นะยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ก็จะถูกเผาด้วย อุปปันนะอากุศลทุจริตเก่าบาปเก่าอากุศลกรรมเก่าตามาเผาไหมแล้วก็อนุปปันะอากุศลบาปใหม่ทุจริตใหม่ที่จะเกิดในอนาคตเจ้าจะถูกเผารวนอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราปิดอะไรไม่ได้ปิดอภัยไม่ได้ถูกเผาแน่นอนเป็นพรหมอะถูกเผาไหมก็ถูกเผาเพราะเป็นบุรุษชนเนี่ยนั้นความเป็นบุรุษชนเนี่ยคือความวิบัติของความเป็นสัตว์โลก ถ้าถอดความเป็นบุรุชนออกไม่ได้เนี่ยนั่นคือความวิบัติเลยเราท่านทั้งหลายใครที่ยังเป็นบุรุชนอยู่ใช่ไหมที่ยังเป็นบุรุชนกันอยู่ท่านทั้งหลายทั้งผู้ฟังและผู้พูดด้วยใช่ไหมอ้าวระวังอามาอามาก็น่าเป็นห่วงตัวเองไหมและใ น, นขณะเดียวกันมาเป็นห่วงพวกเราด้วยไหม แต่ระหว่างพวกเราอะมาเนี่ยมาห่วงใครมากกว่ากันก็ <c oughs> เหมือนกับพวกเราแต่ห่ ว, หวงตัวเองก็ห่วงอามาเนี่ยห่วงใครมากห่วงตัวเองสรุปแล้วทุกคนรักตัวเองเนอะนึกว่าแต่ห่วงอามามากกว่ า, ามาบอกงั้นมาเป็นโรคแทนอะจะมานหน่อยได้ไหมไม่เป็นแล้วงั้นทุกคนก็เริ่มรักตัวเองกันเลยทีนี้แต่รักตัวเองก็อย่าเผาตัวเองใช่ไหม ที่เผามาในอดีตผิดพลาดและต่อไปก็อย่าเผาตัวเองในปัจจุบันหรือเผาตัวเองในอนาคตอีกต่อไปต่อไปเราจะไม่ทํากรรมราคะเป็นไฟไหมโทรศัทเป็นไฟไหมโมหะเป็นไฟไหมฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าราคะโทรศัพโมหะเป็นไฟก็อย่าเผาตัวเองเพราะเรารักตัวเองใช่ไหมกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่เป็นไฟเผาตัวเองในอนาคต และในปัจจุบันดังนั้นเนาะถ้ารู้อย่างนี้เสียการสำรวมระวังเป็นเรื่องดีไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะเนี่ยถ้าหากว่าเกิดหดหูท้อถอยในขณะที่ฟังว่าทำเนี่ยตอนนี้ชื่อว่าเผาตัวเองไหมเอาไฟอะไรเผาโมหะเลยเป็นไฟโมหะเนี่ย ังน้นตรงนี้ก็มาพิจารณามนุษย์เทวดาพรหมผู้เป็นยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเสียหายถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พราะพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอันประเสริฐอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราควรกระทําก็คือดับไฟที่เป็นอุปปันนาอกุศลและอนุปันนาอกุศล ต้องดับให้ได้บาปเก่าทุจริตเก่าศุลกรรมเก่าบาปใหม่ทุจริตใหม่และอกุศลกรรมใหม่ใช่ไหมที่จะเกิดขึ้นต่อไปฉะนั้นอนาถาปิณิกาเศรษฐีไม่ต้องเป็นห่วงท่านนะแล้วก็นางวิสาขาพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นเหล่านี้ไม่ต้องเป็นห่วงท่านเหล่านั้นเลยเพราะท่านจักปรินิพานในลำดับหิงภพ ท่านเหล่านี้เป็นวัตตาพิรตาโสดาบันท่านปรารถนาที่จะท่องเที่ยวไปในวัตฏะที่สูงสูงแล้วก็จะไ ป, ปริปลินิพานนั้นท่านจะเกิดได้เกินเจ็ดชาติถ้าพระโสดาบันประเภทเนี้หลังจากท่านไปอยู่ในภูมิสูงสูงแล้วเนี่ยที่เจ็ดเนี่ยนับเนื่องในกาลภูมิ